พระบรมโอวงสานุวงศ์พระเจ้าอาโศกทรงเลื่อมใสามากเมื่อพระวีตโศกลกับสู่อโศการามได้เสด็จออกไปทรงประนมพระหัตไปตลอดทางประชาชนชาวปัตลีบุตรก็เอาอย่างและเปล่งวาจาว่าพระอนุชาอันพระเชษฐภาดาตามเสด็จไปพร้อมด้วยประนมพระหัตนี้ถ้าอนิสง์แห่งบรรพชาซึ่งเห็นประจักษ์แก่ตา